บทภาชณีติกะปาติเทศนียะ555ริบหพิฆสุณีไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของพิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอบัดปาติเทศนิยะภิกษุณีไม่ใช่ญาติพิกษุไม่แน่ใจรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของพิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติ ผู is, ้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัตปาฏิเทศนิยะภิกษุณีไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยะทุกกฎภิกษุรับของเป็นยามกาลิกสัตตาหกาลิกยาวชีวิตเพื่อเป็นอาหารต้องอาบัติทุกกฎ ฉันต้องอบัตทุกกฎทุกๆคำกลืนภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือของภิกษุณีผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตทุกกฎทุกๆคำกลืนภิกษุณีเป็นญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีเป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฎภิกษุณีเป็นญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอบัต